การชักชวนกันไปลักที่ชื่อว่าการชักชวนกันไปลักได้แก่ภิกสุหลายรูปชักชวนกันแล้วรูปหนึ่งลักทรับมาได้ต้องอบัติปาราชิกทุกรูป